มีคมคำหนึ่งที่คนที่สนใจธรรมะอยู่บ้างเคยสนใจธรรมะมากชอบเอามาใช้เพื่อแนะนำคนอื่นเวลาเขามีปัญหาคำน้าคือคำว่าปล่อยวางเวลาเจอคนที่มีปัญหาเจ็นกำลังกลุ่มบอกกลุ่มใจ มีความวิตกกังวลผู้ที่ปรารถนาดีก็หรือว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดก็มักจะแนะนำว่าให้ปล่อยวางแต่พอแนะนำแล้วอีกฝ่ายไม่ฟังก็ยังจมอยู่กับความวิตกกังวลจมอยู่กับความทุกข์คนที่ปรารถนาดีก็จะเริ่ม เครียดเริ่มหมงุดหงิดแล้วบางทีก็ถึงกับขึ้นเสียงหรือว่า อ, อ, วอาถึงกับตะหวาเลยนะว่าปล่อยวางสิปล่อยวางแล้วคนที่พูดเขาลืมตัวไปเขาบอกให้คนหนึ่งปล่อยวางแต่ว่าตัวเองนี่กับ ปล่อยวางไม่ได้อย่างเมื่อเดือนที่แล้วไปเยี่ยมแม่ของเพื่อนคนหนึ่งมีอาการเสร้นเลือดในสมองเกิดตีบขึ้นมาก็ทำให้เป็นเรียกว่าอัมพฤกษ์ร่างกายช่วงซีกขวานี่ใช้การไม่ได้ การพูดก็พูดไม่ค่อยเป็นภาษาเจ้าตัวเดิมนี่ก็เป็นเอาซเมืออ่อนๆอยู่แล้วแล้วก็พอมาเจอโล่งที่เข้าไปก็ทำให้มีความสับสนเดิมก็ชอบพูดอะไรต่ออะไรพูดโดยเพราะพูดถึงเรื่องเก่า เหตุการณ์แน่ดีที่สร้างความทุกข์ให้แต่ต่หลังพอเป็นอาลัยเมื่อก็เริ่มเห็นภาพหลอนจินตนาการแรงต่างมากมายในตอนที่ป่วยก็พูดจะเรียกว่าพูดไปเรื่อยๆนะพูดหลานมาเยี่ยม หลานก็พูดแนะนำอะสอนยายว่าให้ปล่อยวางแต่ว่ายายก็ยังพูดไปเรื่อยเหมัอ น, นกับเพ้อหมือนกับเพ้อกันนะ่ะก็พูดเรียกว่าเป็นชั่วโมงไนงะที่จริงหลานก็มาได้ อาจจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเดีย้ําเห็นยายพูดเพ้อไปเรื่อยพูดไม่หยุดนะพูดแต่เรื่องเก่าๆหลานพูดนะยายก็ยังไม่สนใจฟังว่าไปเรื่อยหลานก็เลยจึ ง, ง, งหลางก็เลยโมโหขึห้นเสียงขึ้นมาเลยว้ยว่างสิ โอ้ oh, หน้าทางหน้าตายโกรธมากเลยนะตัวตัวหลานเนี่ยผู้ชายเนี่ยตัวเองเนี่ยบอกให้ยายปล่อยวางแต่ตัวเองกับปล่อยวางไม่ได้เพราะถ้าปล่อยวางได้ไม่มีอาการแบบนี้อยากให้ยายปล่อยวางอันนี้เป็นความปรารถนาดีแต่พอยา ย, ยก็ยังจมอยู่กับเรื่องราวในอดีตตัวเองก็เลยโกรธ โกรธเพราะอะไรเพราะมีความคาดหวังมีความอยากอยากให้ยายฟังอยากให้ยายปฏิบัติตามอยากให้ยายปล่อยวางไอ้ความอยากนี่มันนน่นมันนั่นหัวใจก็ไม่เห็นพอความจริงไม่เป็นไปอย่างที่อยากก็โกรธขึ้นมาไอ้แบบนี้นี่มีอยู่บ่อยๆนะ เขาพู okay, ว่าได้นาให้คนอื่นปล่อยวางแต่ตัวเองกลับปล่อยวางไม่ได้กับแบกเอาไว้ยังมีผู้ญิงคนนึ่งนะก็ดูแลแม่แม่ก็แก่แล้วแม่ก็เป็นคนที่ชอบพี่ตกกังวลเรื่องหลานเรื่องลูกสารพัฒพีตกกังวลเรื่องบ้าน ตัวเองก็สุขภาพก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วก็ยังวิตกกังวลลูกสาวก็ก็พยายามให้แม่ปล่อยวางแม่ก็ไม่ยอมปล่อยวางก็ยังดื้กลานที่จะจมอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆรวมทั้ ง, ง, งปัญหาที่ตัวเองคิดว่ามันเป็นปัญหาห่วงโน่นห่วงนี่ อะไรที่เขาไม่เกิดก็วิตกปรุงแต่งสร้างภาพแม่ก็มีความทุกข์ให้ลูกก็มีความทุกข์บอกให้แม่ปล่อยวางก็ปล่อยวางไม่ได้เลยกลุ้มใจเครียดก็เขียนมาปรึกษาว่าทำยังไงดีแม่ไม่ยอมปล่อยวางสักทีนะก็เลยแนะนำเข้าไปว่าเนี่ยให้คนที่ สิ่งที่เขควรทำอย่างแรกคือเขาเองนั่นแหละคือควรปล่อยวางซะก่อนเขาอยากให้แม่ปล่อยวางแต่ว่าเขากลับปล่อยวางไม่ได้รู้ได้ไงว่าเขาปล่อยวางไม่ได้ก็เขามีความวิตกกังวลเขามีความเครียดนะที่แม่เป็นอย่างนั้นบอกเขาว่าเนี่ยคุณบอกให้ แม่ปล่อยวางแต่คุณยังปล่อยวางไม่ได้เนี่ยให้สิ่งที่พูดไปมันก็ไ ม, ม่มีน้ำหนักแล้ถ้าอยากจะให้แม่ปล่อยวางตัวเองก็ต้องฝึกปล่อยวางซะก่อนอย่าง น, น, น้อยก็จะรู้ว่าการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะถ้าลองฝึกทํำดูแล้วทําไม่ได้เนี่ยอยากจะไปบอกให้คุณยังก็ปล่อยวางก็ยากให้เริ่มต้นที่ ตัวเองปล่อยวางและทาครั้งจรึงก็จะรู้ว่าโอ้มันยากนะบ่อยครั้งคนที่พูดว่าให้ปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยตัวเองก็ยังยึดยังแบกอยู่ฉะนั้นเวลาเวลาจะแนะนำใครเนี่ยมันต้องไม่ลืมที่กลับมาดูใจตัวเองด้วย บ่อยครั้งเราพบว่าเนี่ยนะคนเราเนี่ยไม่ค่อยมองตัวเองเท่าไหร่แต่ว่ามองไปข้างนอกเยอะโดยเฉพาะเห็นคนเขามีความทุกข์หรือเห็นคนเ็ามีปัญหาหรือคนเขาทำอะไรไม่ถูกเราก็จะเห็นเขชัดแล้วเราก็จะรู้ว่าเขาทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเช่นเขาวิตกกังวลเขาเครียดพอเขายัางแบกยังยึด อะไรอะไรมากมายยังปล่อยวางไม่ได้เห็นเวลาคนอื่นปล่อยวางไม่ได้หรือคนอื่นแบบ น, นี้เราเห็นชัดแต่ว่าเรากลับมองไม่เห็นตัวเองอันนี้ไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นด้วยนะ เ, นนเห็นคนหนึ่งเห็นคนหนึ่งโกรธนี่เราเห็นชัดแต่ว่าตัวเองโกรธนี่เราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ เห็คนอืงเครียดนี่เราเห็นชัดนะแต่ว่าเวลาตัวเองเครียดนี่ก็กับมองไม่เห็นอันนี้เพราะว่าการเห็นด้วยสายตาหรือด้วยตานี่มันง่ายแต่การเห็นด้วยใจมันยากยิ่งเห็นยิ่งมาเห็นตัวเองในลานี้ยิ่งยากกว้าไปอ่ะ แต่มันก็เป็นแบบฝึกหัดอย่างดีนะให้คนเราได้เรียนรู้ที่จะเห็นตัวเองให้การเจริญสติเนี่ยมันมันก็เป็นการสร้างนิสัยให้เรากลับมามองตนกลับมาดูใจตัวเองอยู่บ่อยๆแต่ถ้าเราเจริญสติเราจับหลักไม่ได้เนี่ยมันก็กลายเป็นการทําตามรูปแบบไป การกไปคิดอาการจรดสติคือการยกมือคือการเดินจงกรมคือการนั่งหลับตาจะทำไปทำไปใจฟุ้งใจลอยก็ไม่รู้จริงๆเรื่องการดูใจตัวเองเนี่ยถ้าเราถ้ารู้จักใช้ประโยชน์นะจาก ความฟุ้งซ่านจากความเครียดจากความหงุดหงิดจากความโกรธอันนี้มันจะช่วยทำให้การจิสตินี้ก้าวหน้าเพราะว่าอารมณ์พวกนี้หรืออาการเหล่านี้มันมาเพื่อให้สามารถจะมาใช้เพื่อการตอกย้ำ ความจำได้หมายรู้ว่ามันมีลักษณะมีอาการอย่างไรสติเนี่ยนะมันแปลว่าความระลึกได้นะและธรรมชาติของคุณลักษณะอันหนึ่งของสติเนี่ยมันก็คือมันจำลักษณะอาการได้ มีคำเรียกว่าทีรสัญญาทนะีรสัญญาคือว่าการจดจําจําได้หมายรู้ลักษณะอาการเช่นไอความฟุ้งนี่มันมีอาการแบบนี้ความโกรธมีอาการแบบนี้ความเครียดมีอาการแบบนี้คล้ายๆว่ามันมีรูปร่างหน้าตาหรือมีนิสัยแบบนี้่ การที่มันเกิดขึ้นกับเราบ่อยๆเกิดขึเราบ่อยๆเกิดขึเราบ่อยๆเนี่ยนะเมื่อเราได้สัมผัส ก, กับมันอยู่เรื่อยๆสัมผัส ก, กับมันอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะจำได้อ๋อมันเป็นอย่างนี้เมื่อคนแปลกหน้าถ้าเจอครั้งแรกนี่เราจําเขาไม่ค่อยได้นะอันนี้ตัวนี้เป็นบ่อยเลยเนะี่ยเจอคน ตามที่ต่างๆบางทีเจอคุยกันแค่ห้านาทีสิบนาทีหลังจากนั้นผ่านไปหลายเดือนเขาก็เจอกันอีกแล้วเขาก็จะถามว่าจำได้ไหม <c oughs> บอกเดี๋วนี้คือคำถามเจอวันนี้เจอบ่อยมากเลยจำได้ไหมเป็นคำถามที่ถูกถามอยู่เป็นประจำ จำผมได้ไหมจำหนูได้ไหมให้เราจะตอบว่าจำไม่ได้นี่ก็กระไลอยู่แต่มันจำไม่ได้จริงนะเพราะเจอกันแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าเจอหลายครั้งน ะ, ะมันเริ่มจำได้แล้วเจอสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งอ่าเริ่มจำได้แล้ว คือการที่คนเราจะจำอะไรได้เนี่ยนะเราต้องเกิดขึ้นบ่อยๆเจอบ่อยๆเจอบ่อยๆเะฉนั้นถ้า เ, าเกิดว่าเราถ้ามันมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะกับใจเราแม้มันจะเป็นอารมณ์อกุศลนะแต่ข้อดีขยงมันคือมันจะทาให้เราจดจำอารมณ์เหล่านั้นได้ง่ายขึ้น พอมันโผล่มาครั้งต่อไปบางทียังไม่ทันจะยังไม่ทันจะเห็นชัดๆเลยหรือยังไม่ได้แสดงตัวชัดๆเราก็จําได้อ๋อไอ้นี่อารมณ์ไอ้นี่ตัวโกรธไอ้นี่ตัวเครียดนี่ตัวงดงดเหมือนคนที่เราเจอหรือว่ารู้จักไปรู้จักจําได้นะจำได้ดี เมืที่เห็นข้างๆเราก็รู้แล้วเป็นใครอันนี้เรียกว่าทละอันนี้เรกว่าทีละสัญญามาทำงานแต่ก็แปลกนะคนจำนวนมากเนี่ยนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ว่าได้โกรธไปร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่ได้ก็ไม่สามารถจะจำความโกรธได้ได้ดีขึ้นเร็วขึ้นเลย กลับโดยมันหลอกได้ง่ายขึ้นยิ่งโกรธบ่อยยิ่งโกรธง่ายโกรธเร็วนะในส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นหรือว่าคนแก่เนี่ยซึ่งผ่านการผ่านความโกรธมาเป็นผ่านเป็นหมื่นครั้งพอโกรธทีไรเสร็จมันทุกทีกลายเป็นคนโกรธง่ายยิ่งโกรธบ่อยๆมากเท่าไหร่ก็ยิ่งโกรธง่ายโกรธเร็วมากเท่านั้นที่จึงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะ พ่อยิ่งเจอควา ม, กมปกดธแบบเบ่อยก็น่าจะจําได้จําได้ดีจําได้ดีพอมันโผล่มาปุ๊บรู้ทันเลยการที่เคยเปรียบว่าเหมือนกับมิจฉาชีที่มาหลอกเด็กนะบอกมามาที่โรงเรียนบอกบอกเด็กว่าเนี่ยแม่พ่อเนี่ยใหมาหาใหมาใหมาพากลับบ้านเพราะวันนี้พ่อแม่ไม่ว่าง ให้เด็กก็เชื่อเดินตามมิจฉาชีพคนนั้นไปพอไปถึงซอยเปลี่ยวมันก็เอาเงินเอานาฬิกาเอาโทรศัพท์ไปวันต่อมามันมาอีกให้เด็กก็เชื่อนะเดินตามไปเพราะเด็กนี่จำหน้าไม่ได้จำหน้าคนเมื่อวานไม่ได้ หรือตามเหตุการณ์ไม่ค่อยได้หรือซ้ำก็เดินตามวิชาชีว์นนั้นไปพอไปถึงซอเป๋วก็โดนลอกคราบอีกทำ่างสองสาครั้งนี่นะเด็กมันก็จำได้แล้วไอ้นี่หน้าตาแบบนี้อุบายแบบนี้นี่ถึง จ, จำได้แล้วมาหลอกฉันไม่ได้แค่นี้คือการเจอบ่อยๆเนี่ยมันมันได้ทำให้จำได้ มันน่ายทาให้รู้ทันแล้วก็โดนหลอกไม่ได้พราะอะไรเพรเจอบ่อยแต่ว่าคนจำนวนมากเลยนะก็โดนความโกรธโดยความโดนความเครียดความหงุดหงิดเนี่ยหลอกซ้ําแล้วซ้ำแล้าซ้ําแล้วซ้ำแล้าทั้งที่เจอเจอม า, มาเป็นพันเป็นหมื่นครั้งโดนมันหลอกมาเป็นพันเป็นหมื่นครั้งก็ยังโดนมันหลอกได้ง่าย แล้วก็ง่ายกว่าเดิมเลยอันนี้มันก็แปลกดีนะแต่ถ้าเป็นคนฉลาดนี่เออถ้าเจอบ่อยเจอบ่อยยิ่งเจอบ่อยเท่าไหร่ยิ่งจําได้ยิ่งมีความรู้ยิ่งรู้ทันทยิ่งย้อยจากคนฉลาดเลยแม้แต่พวกสัตว์เดรัจฉาเนี่ยพวกลิงพวกหนูพวกเนี้นะมันเจอคนบ่อยๆนี่มันฉลาดขึ้นมันรู้ทันมันรู้ทันว่าเราจะมาไม้ไหนกับมัน ที่แรกเราหลอกมันได้แต่ครั้งที่สองจะหลอกมันได้ยากขึ้นหรือครั้งที่สามเพราะว่ามันเรียนรู้การเจอบ่อยๆสัมผัสบ่อยๆมันทำให้มันฉลาดขึ้นรู้ทันเร็วขึ้นแต่เรานี่พอเจออารมณ์ต่างๆถูกมันหลอกกี่ครั้งก็ยังโดนมันหลอกเหมือนเดิมอันนี้เขาไม่รู้จัก เรียนรู้แต่ถ้าเราเริ่มน ะ, ะเริ่มที่จะเรียนรู้นะเวลาเจริญสติเวลามันมีอารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นก็เออก็ให้มองว่ามันมันมีก็ดีนะความฟุง้งซ่านความเครื่อความเบือ่อมันมาให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆมันให้มาให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆเราก็จะจําได้ดีขึ้น ครั้งต่อไปมันก็จะหลอกเราล่อเราได้เออ่ได้ยากขึ้นมาหลอกเราได้ยากขึ้นแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเรียนรู้นะเพราะว่าพอเจอก็พยายามไปกดขมผักใสไล่บี้มันหรือไม่ก็ตามมันไปถ้าตามมันไปเรื่อยๆนะก็ไม่ได้เรียนรู้หรือถ้าต้านมันกดขมมันผักใส่มันก็ไม่ได้เรียนรู้เหมือนกันนะ เพราะว่าการจะเลยรู้เนะี่ยมันเกิดจากการเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆคนส่วนใหญ่เวลาเจออารมณ์นีไม่ได้เห็นนะนะมันเข้าไปเข้าไปเป็นเป็นนี่ก็เป็นอยู่สองอย่างนะคือว่าในลักษณะที่ว่าตามันไปตะพึตะพื้นหรือไม่ก็ต้านมันแต่ถ้าเห็นเนะี่ยเห็นจริงๆเนะี่ยเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเห็น ที่เเห็นปุ๊บเราก็เข้าไปเป็นเลยเห็นปุ๊บเราก็ไปเป็นเห็นปุ๊บก็ไปเป็นการเห็นมันมันมันไม่เห็นได้นานเห็นได้แค่สองสามขณะแล้วก็ไปเป็นแต่พอเห็นบ่อยๆเหบ่อยๆไม่บ่อยมันก็จะเห็นได้นานขึ้นจากสองสามขณะก็เป็นหกเจ็ดแปดขณะแล้วตอนลราก็พอเห็นบ่อยๆมันก็จำได้อ๋อไอ้นี่ตัวโกรธไอ้นี่ตัวหลงไอ้นี Parker, ่ต so, mm ัวโลภ อันนี้ตัวงุดงิดบางทีการที่เราย้อนกลับมาเตือนใจตัวเองก็ช่วยได้เหมือนกันนะหรือว่าฝึกให้เรารู้จักรู้ทันมันไม่ใช่ในรูปแบบของการเจริญสติอย่างเดียวมนที่ที่แล้วก็ไปอบรมประชวรครับตายสงบก็มีอาจารย์ประสงค์ปริปุณโน ท, ท่านไปร่วมสังเกตการด้วย ก็มีการคุยกับท่านท่านก็มีวิธีการสอนผู้ใหญ่สอนเด็กที่น่าสนใจท่านจะเน้นการสอนท่านเนี่ยไม่เน้นเรื่องความกระตันยูหรือว่าการมีสีอย่างเดียวแต่ว่าท่านยังเน้นเรื่องการมีสติมีความรู้สึกตัวท่านก็จะชวนเด็กให้ให้จับผีนะจับผี ผีหลักๆก็มีอยู่ผีสามตัวนะผีหลงผีโลภผีโกรธบางทีท่านกา็มีการเล่นอะไรให้มันสนุกๆกอยู่บ้างเช่นบอกกับนักเรียนบอกกับเด็กบอกผู้ใหญ่ว่าเนี่ยถ้าจับผีได้นะก็มาเอารางวัลก็คือเล่านะ ว, าว่าตัว เ, เนี่ยเคย เคยเคยเห็นความโกรธความโลภ ค, ความหลงในใจบ้างหรือเปล่านะก็มีเด็กคนหนึ่งมาเล่าว่าเนี่ยมาบอกว่าเนี่ยจะไปจะไปล้างมือนะก็เลยเข้าห้องน้ำแต่พอไปถึงห้องน้ำก็จำไม่ได้ว่าเข้าห้องน้ำมาเพื่ออะไร ตัวเองก็ไปได้ปวดนะฉี่ปวดอึเอ๊ะแล้วเข้ามาทําไมพอเราแบบนี้ใส่ก็มารยายงานเนี่ยเนี่ยไอ้ผีหลงเนี่ยจับผีหลงได้แล้วคือตอนนั้นมันหลงเนี่ยหลงไปเข้าหองน้ำแล้วจำไม่ได้ว่าเข้าเพื่ออะไรจะเข้าไปทําไมอันนี้เราหลงแล้วนะเด็กก็มาเล่าว่าหลงแล้วอ่ะก็ ได้รางวัลไปว่ผู้ใหญ่คนหนึ่งก็มาบอกว่าเนี่ยวางกุญแจกุญแจรถเอาไว้แต่พอจะขับรถหากุญแจไม่เจอหาเท่าไหร่หาหาเท่าไหร่ก็ห า, า, า, าไม่เจอ อ, อย่างนี้ผีหลงละผีหลงเล่นงานละจับได้แล้วก็ได้รางวัลไป อีกคนหนึ่งน ะ, ะคุยกับเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนก็ต่อว่าเขาเขาก็เกิดความกลัวขึ้นมาก็เลยว่าเพื่อนกลับอ่าเนี่ยผีโกรธแล้วก็มาเล่าก็ได้รางวัลอันนี้ก็เป็นคกล้ๆเป็นอุบายนะที่ชวนให้คนน่หันมาดูใจของตัว บางทีมก็เกิดจากการที่ทบทวนเหตุการณ์ในอดีตอาจะยังไม่ทันเห็นเพื่อมันเป็นปัจจุบันแต่ว่าได้ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ว่าจะเป็นความเผลอความโกรธหรือความอยากถ้าเรารู้จักทบทวนเหตุการณ์ในอดีตหรือว่ากลับมากลับมาสังเกตใจของตัวเองในแต่ละขณะปฏิกิริยาของใจและเมือน เ, เจอ สิ่งที่กระทบมันก็ทำให้ได้เห็นแจงตัวเองมากขึ้นคําว่ามีสตินะรู้กายรู้ใจเนี่ยไอ้รู้ใจเนี่ ย, ยคือการที่หมั่นสังเกตอารมณ์ของตัวซึ่งมันทำได้ทุกเพศทุกวัยอย่างที่เคยเล่าเนี่ยอ่แม่ก็ถามเด็ก เด็กกำลังกินก๋วยเตี๋ยวอยูนะ่ถามเด็กว่าเด็กเห็นอะไรเด็กการที่ต่อเห็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเห็นลูกชิ้นนะเด็กบอกว่าเนี่ยเห็นกายมันเห็นกายมันเคลื่อนไหวครั บ, นะ ต, ออ ต, บรอตอนที่มือกำลังกำลังตักก๋วยเตี๋ยวเห็นกายเคลื่อนไหวตอนที่มือตักก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ พอตักข้าวต๋่วใส่ปากนะก็เห็นนะเห็นกายมันเคลื่อนไหวเพราะว่ากำลังเคี้ยวกลามมขยับขึ้นขยับลงแล้วก็เห็นความพอใจในรสชาติของข้วต๋น่วะเด็กเขาก็เล่านะอันนี้เรีวาเกิดจากการที่เขาเฝ้าดูสังเกต ด, ดูกายดูใจบ่อยๆในการเห็นกาย เคือนไหวนี่มันก็ยากอยู่แล้วนะแต่เห็นความรู้สึกพอใจในรสชาติก๋วยเตี๋ยนี่ น, นี้เห็นยากเดี๋ยวเขาก็เห็นได้อายุายไม่มากถ้เกิดว่าทำบ่อยๆบ่อยๆนี่นะมันก็จะรู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดในการปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นเอง ไม่งั้นเนี่ยนก็จะก็ได้แต่ไปสอนคนโน้นคนนี้ปล่อยวางหรือบางทีก็โมโหเขาเพราะเขาไม่ยอมปล่อยวางหารู้ไม่ไตัวเองต่างหากนะตัวเองก็ไม่ปล่อยวางเหมือนกันไม่งั้นก็ไม่หงุดหงิดหรือว่าไม่เไม่เศร้าโศกเสียใจ ถ้าทุกครั้งที่นะเวลาแนะนำใครแล้วเกิดโกรธเกิดโมโหหรือเกิดเสียใจขึ้นมาเนี่ยทาที่แนะนำให้เขาปล่อยวางเนี่ยแต่มันก็แสดงว่าตัวเองยังปล่อยวางไม่ได้อันนี้ก็เพราะไม่ได้ดูใจตัวเองนะไปมองแต่คนอื่นต้องเห็นตัวเองอันนี้เป็น เป็นเป็นหลักเลยนะของนักปฏิบัติต้องหมั่นมองเห็นตัวเองหมั่นมองตนให้มองข้างนอกนี่มันมองเห็นง่ายแต่ถ้ามองไปข้างนอกตัวพื้เตอะพืมันก็ทําให้ไม่เห็นตัวเองเวลาตายเห็นรู้ก็อย่าลืมนะใจมองเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นด้วย พอเวลาตาเห็นรูปหรือหูที่ได้ยินเสียงเนี่ยมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาพอใจก็ดีไม่พอใจก็ดีชอบก็ดีชังก็ดีมันเกิดขึ้นมาในใจแล้วเนี่ยต้องมีสติต้องมีสติเห็นมันนะหรือว่าใจเราต้องไวพอที่จะเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่งั้นอารมณ์เหล่านี้มันจะเข้ามาคลองใจเข้ามาบ่งการจิตใจได้ ใจจะเห็นอารมณ์เหล่านั้นได้เนี่ยก็เพราะมันมีสติหรือว่าสติมันจเจริญงอกงามเอชาช้านี้ยเพ่กเท่านี้นะครับ